เขาจึงต้องไปอยู่เป็นเพื่อนน้องหลังจากสั่งลาเพื่อนเสร็จเขาก็หันหลังให้เพื่อนเดินไปรอขึ้นรถหน้าโรงเรียนอย่างอารมณ์ดีตามประสาะเขาปกติแต่เพื่อนของเขาอีสี่ห้าคนที่เขาเพิ่งเดินจากไป น, นั้นกลับหน้าซีดกันขึ้นมาทุกคนเมื่อทุกคนมองไปไม่เห็นเงาหัวของกำมลอยู่บนไหลของเขาเสแล้วตอนแรกก็นึกกันไปว่าตาฝาดกันไปเองแต่พอถามกันในกลุ่มทุกคนก็ได้คาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า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 แบงก็ได้หยิบหม้อในโรงฝึกงานเก่าๆใบหนึ่งมายื่นให้นิติจึงรีบวิ่งไปหากมนที่กําลังรอรถอยู่หน้าโรงเรียนทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพร้อมกับสีหน้าของเพื่อนอีกสามคนที่ซีดเผือดขึ้นมาอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันที่กำมนจะถามอะไรนิติก็เอาหม้อครอบลงไปบนหัวของกำมนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับพูดคําว่าต่อหัวให้แล้วนะขวัญเอ้ยขวัญมาอย่างร้อนรนเมื่อยกหม้อออก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 ก็มีรถสิบล้อวิ่งมาฉุดร่างเขาไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องของนักเรียนเต็มหน้าโรงเรียนทันทีที่รถหยุดลงเพื่อนทั้งสามคนของเขาก็เดินฝ่าฝูงไทยมุงมาที่ร่างอันไร้วิญญาณของนิติที่แน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนพวกเขาเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลด้วยความเสียใจจนแทบสิ้นสติไม่ได้เห็นสภาพของนิติเพื่อนสุดที่รักของเขามือที่เคยนวดไหล่ให้กันบัดนี้ แหลกไปแล้วไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกไหลที่เคยได้พักพิงเวลาอยู่ด้วยบัตรนี้ไม่เหลือแม้แต่เขาเดิมใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มของเขาเวลาได้อยู่กับเพื่อนบัตรนี้มันเป็นเศษเนื้อที่วางอยู่เกลื่อนถนนแม้แต่สมองที่เคยร่วมคิดเรื่องต่างๆด้วยกันในวันดีๆที่ผ่านมาบัตรนี้ก็กระจัดกระจายจนเกลื่อนพื้นถนนชอว่าซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิท ก, กับนิติมากที่สุด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 ภาพทุกภาพคงจะกลายเป็นเพียงความทรงจำดีๆที่เคยได้เกิดขึ้นเท่านั้นกำมนินติที่ว่าแบนหน้าตอนนี้ภาพห้าหนุ่มบอยแบนด์ของวงโยธวาทิตโรงเรียนคงจะเหลือแค่สี่คนแต่ทุกคนก็จะยังคงจำภาพห้าหนุ่มทะเล น, นี้ได้อย่างดีแน่นอนกำมนเมื่อได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตัวเองไม่มีเงาหัวและนิติเป็นคนไปช่วยเขาแล้ว